วิญญาณศาสตร์จะมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการฟื้นฟูศาสนาต่างๆในอนาคตข่าวรวบรวมและย่อจากหนังสือพิมพ์ไซคีนิวส์ฉบับประจำวันที่15และ22สิงหาคมพุทธศักราช2513 หนังสือพิมพ์ v a n c เ u อร์ซันออกในประเทศแคนาดาได้ทำนายว่าวิชาลึกลับหรืออาร์เคโอิซึ่งจะเป็นศาสนาในอนาคตเพราะคนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้ต้องการทราบเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเหล่านี้กำลังสแสวงหาสิ่งที่ศาสนาต่างๆให้ความสว่างแก่เขาไม่ได้ปีเตอร์เจทอมสันแห่งโบสมาคี นักทรงวิญญาณแห่งแรกในเมืองแวนคูเวอร์ได้กล่าวว่าข้อห้ามต่างในอดีตนั้นเป็นอันเลิกได้แล้วเพราะปัจจุบันมีคนอยากทราบในเรื่องนี้กันมากเหลือเกินจนกระทั่งเห็นจะต้องตั้งนิกายใหม่กันขึ้นแล้วอันที่จริงวิญญาณศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล น, นั่นเองแต่ว่าเกี่ยวกับเขาทั้งโลกนี้และโลกต่อไปด้วย ในขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติของโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันวิญญาณศาสตร์ก็สอนให้มนุษย์รู้ว่าความตายนั้นไม่มีอะไรที่เราควรจะกลัวเลยอันที่จริงความตายเป็นเสมือนประตูประตูหนึ่งที่เราทุกคนจําต้องเดินผ่านไปในทํานองเดียวกันทั้งสิ้น บุคคลอีกคนหนึ่งชื่อซ c ซิลคิงได้กล่าวทางวิทยุกระจายเสียง bbc เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าการฟื้นฟูศาสนาอาจจะเกิดขึ้นได้โดยการช่วยเหลือของวิญญาณศาสตร์นี่เองซ c ซิลคิงได้กล่าวว่าแม้ว่าเราจะยอมรับว่าในเรื่องวิญญาณศาสตร์นี้มีรายที่เป็นเรื่องหลอกลวงเรื่องการนึกคิดเข้าข้างตัวเองเรื่องการบังเอิญและอื่นๆอีกก็ตาม แต่ก็ยังมีคนทรงที่แท้จริงอยู่อีกหลายคนที่สามารถติดต่อกับวิญญาณในอีกโลกหนึ่งได้จริงๆจริงอยู่เราต้องยอมรับเหมือนกันว่าการที่บุคคลหนึ่งมีความเชื่อถือในสิ่งไรอย่างลึกซึ้งและแน่นแฟ้นด้วยความจริงใจนั้นจะยังถือเอาเป็นหลักว่าเรื่องนั้นจะต้องเป็นจริงเสมอไปยังไม่ได้คือว่าจะเชื่ออย่างสนิทเพียงใด เรื่องนั้นก็ยังอาจเป็นเรื่องไม่จริงได้เหมือนกันเพราะตนเองไปเชื่อผิดๆเข้าแต่ก็ยังมีเรื่องจริงที่เป็นหลักฐานมั่นคงเกี่ยวกับการติดต่อทางวิญญาณหลายรายซึ่งจะทำให้เราเหมาว่าเป็นของหลอกลวงไปง่ายๆไม่ได้เลยนอกจากว่าเราจะมีอคติมาก่อนโดยไม่ได้สืบสวนว่าเรื่องนั้นจะต้องโกหกแน่ๆเพราะฉันไม่เชื่อเสแล้ว ซีซีร์คิงได้กล่าวถึงความจริงเรื่องสถานที่เช่นโบสถ์บางแห่งซึ่งมีบรรยากาศหรืออำนาจในทางจิตสามารถทําให้คนบางคนที่เข้าไปในนั้นรู้สึกได้ทันทีหากว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถรับกระแสของวิญญาณในที่นั้นได้บ้างนอกจากนั้นสิ่งของบางอย่างก็สามารถบอกประวัติความเป็นมาของมันเองให้คนบางคนทราบได้ ในเมื่อบุคคล น, นั้นจับมันขึ้นมาถือไว้ในมือซึ่งเรื่องนี้จะอ่านได้จากเรื่องการติดต่อทางวิญญาณโดยเอสเทลโรเบิร์ตบทที่4ถ้าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สามารถเหลืออยู่ในวัตถุสิ่งของได้แล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าคงจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับอมตะธรรมคือชีวิตนิรันดรนที่เรายังไม่รู้อีกมากทีเดียว ในปัจจุบันการที่เรายังไม่สามารถค้นคว้าหาความจริงในเรื่องนี้ได้นั้นก็เป็นเพราะว่าการหาความจริงทางศาสนาจะกระทาโดยใช้วิธีการแบบเดียวกันกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นั่นเอง